อากาศช่วงในรู้ิึ ก, กแปรปวนสบัดหอนสบัสดหนาวมันเป็นอย่งสี่ละเดือนกลุ่มผ้ากลุ่มผ้ามีหน้าเนี่ยกลางคืนจะหนาวกลางวันจะร้อนบางที่ก็มีฝนตกนำํำเพราะนั้นสุขภาพของคนก็เลยให้เป็นไขวัดมีวัดมีไอกันมาก ก็เลยทำให้ควนบนนวลออกไปทั้งบนทั้งจมเป็นจังสันเป็นจังสีวเอาไปบางคนบบนจมมากกว่านั้นบนมากกว่านั้นมีอยงกับบนมียงกับจมมดเจังันกับบมเนเจังสีกบมเนู้หนัเหตุจังสันกว้างตาพูหนักเหจังสีก็ว้างหู คนเฮ้ามันเป็นอยงสัจนะ่ะเกิดมาในโลกนี่จะให้มันถูกใจเฮ้าทุกอย่างก็คงจะเป็นไปบัวได้คนนั่นเฮ็ดพิษแน่ผู้นี่เฮ็ดถูกแน่สรุปแล้วับเจ้าของกระเฮ็ดบอแมนแน่ถือแน่พิษแน่อันนี้ไดหน่อยๆก็โยนยวนกันนะท่านจิพอ่อท่นจิอยู่น้ากันขันว่าทีเฮ็ดให้มันถือใจกันมืดมันก็นยากอยู่เพราะใจของคนเฮ้าก็ ม, มีกิเลส แต่บางเส่งบางยางนี่จุดเดียวหน่อยๆเด้ทั้งที่เข้าใจกันมาก น, น, น้่มน่่นเพียงจุดเดียวหน่อยๆพ่อป้องออกไปพูดออกไปหรือแสดงออกไปก็ทำให้พิษใจกันตลอดชีวิตก็มีเพราะนั่นเสียงโมนีเขาต้องได้คิดมัดการอยู่ร่วมกันการที่จะพูดจิ่งใดออกไปก็ต้องทบทวนพิจรารณาในคำพูด ในการกระทำของเฮาสรุปตาทางว่ามีสติมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเจ้าของเฮาสิพูดเฮาสิทม่อยังออกไปมันก็มีเบรมันก็มีเครื่องหามลลอกบห้รถเตลิดเปิดเปิงวน้ไปขั้นหาว่าลดเบรแตกอีกแนวนึงเลยใครๆว่าอดมาพอยแห้งเลย หามวายูมันออไปไอ้มาขันตีขันแตกมันออไปไอ้ขันตีขันแตกไอมันอัดเข่าอัดเข่ามันระเบิดมันออไปมันก็เลยแตกคือการยางรถยนต์อะอันนั้นแปลว่าข้าวนี่ก็าอดไว้มันเบาไหมข้าวหนาก็อดไว้มันเบาข้าวหนาก็อดไว้ผลที่สุดก็เลยเป็นขันแตกมันออกไปมันมันมันเลยขันตีมันออกไป อันนี้ก็มีแต่บางสิ่งบางอย่างขาดความส้ำนึกขาดความนึกคิดก็คิดว่าสิบอบเป็นอย่างเบาหยอกแย่กันเล่นเรือว่าเบาแบบชงเด็ดรว่าแบบท่าท้ายลักษณะนี้ก็ะทำให้พิจใจกันไปตลอดเพราะนั้นว่าจานเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญมากขณะว่าบระจำเป็นเบาเลยต้องคิดซะก่อนอันนี้เตือนทั้ง ทันเตืองเตือนทางเล่านะ่ะเตือนมุดทุกคนการอยู่น้ากันการวางบอมีการและเวียงระว่างเนี่ยมีเหลืองเล่าด้มีปัญหาบรรลุไปอย่างหลวงพอ่อเึิดเคยถึงยินโปล้านคนหมัวล้านเขามีวิธีการสอนคนได้มีวิธีการสอนคนคนหมัวล้านบรรลุไป ที่สอนอย่างในคนจีเข่าใจง่ายเขาก็เลยผูกเป็นนิท่านขึ้นมาเอาไปลมืเอเศร้าเนี่หลวงพ่อไปบิณฑบาตก็ไปเห็นควายควายหัวเลาะเอาไปมันดมไปอยังขึ้นมามันอ่าปากขึ้นมา<ๆ>เห็นแต่แขวทั้งไตมันมนอนแขวทั้งเท่งมันบัวมีเอาไปหลวงพ่อก็เลยระลึกได้ว่าคนบัวล่านเขาผูกเป็นนิท่านขึ้นมาเนสมัยก่อนเกา่าคือสมัยก่อนเกา่า จำไม่สั่งอกไม่หมดออกไปเห็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้หัวฉลาดเด้ไปพ อ, อยางสองขาเอาหัวสี่ขึ้นฝาไปวางหัวฉลาดหมดออกไปอหัวแหลมพวกสัตว์ทั้งหลายไม่ต้เอาหัวรอยไปตามดินมดสีขาบอ ก, ยก อ, อย่างไก่เองสิยางไปก็หัวงกไปทั้งหนาวหมดไปมนุษย์เนี่ยหัวสี่ด้ให้ให้เขาบังสังเกตบังนะนี่มนุษย์หัวสี่ขึ้นฝาหมดหัวแหลมหมดไป หัวมีปัญญามันคนมีปัญญามันก็ต้องเอาเปรียบคนอื่นเป็นของธรรมดาไปเไปคนมีปัญญาโดยมากเ ป, เป็นสัจนะไอ้เหาสังเกตเบังในมู้มนุษย์เฮาๆคือกันขั้นผู้ใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วมีเมตตาผอมมีความเ อ, อ, อือเฟือเอืออารีพผอมบวอรัดเอาเปรียบผู้อื่นหาได้ยากมันออกไปให้เหาสังเกตบังนะโดยมากคนมีปัญญาในมีช่องมีทางมันเห็นคนโง่เลย มันเห็นประตูคนงโง่มันก็ยึดหมองหันละ่ะเขาไปหามองหันละ่ะอไปหมองช่างมองท่างคงหมองค้นงโง่นั่นแ่ละเจ้ า, จาของเอาเปรียบเขามองหัน่มองเขาโบโหมัน่อยไปอมองกฏหมายขึ้กันขั้นกฏหมายแต่เขาหูหรือเอาเปรียบเขาบม่ได้ถ้าหูตัวหูน้ำกันขั้นมองได้เขาโบโห่ต้นนั้นละ่ะตัวเอาเปรียบเขาเ น, น่อไปมนรรมุษย์มันเป็นสัตว์มันเปลี่ยนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร่าหน่อไปเดี๋เพิ่นก็เลยโบลั่นก็เลยยกนีท่าน เป็นเราในท่านขึ้นมาพว่าสมัยสั่งโลกใหม่ตัวใหญใหญ่เขาเ็ามาใส่งานมันหนุดวนเอาไปทีแรกเห็ดเป็นมิดเป็นมูเป็นเพื่อนกันก่อนผลี่สุดมันย่อมมันเพียงพั่มขึ้นมาเลยกันจับมันม า, ใ ส, า, นสาใส่งานหไปสั่งก็ใส่งานนินึงงอควายก็ใส่งานนินึงมาก็ใส่งานนนึงมากให้มันแรนไหมเดมันหมดะ งว้วควายมันไถหน้าให้ไถหน้าให้มันหลักหล่อหลากเกวียนอืมจังไกลยังสัตดอื่นกับมนุษย์ก็จับมาเลียงไว้ให้มันใส่การใส่งานแมวให้จับหนูเราไปไม้มันเฮาบานถึงสี่และวมนุษย์มันหัวแหลมเลยมันเอาเปรียบผู้อื่นวนไปบาธ น, านีก็เลยมาบอกถึงเรื่องควา ย, ม, าย ม, ม, นนมันเลยซัดมันนั่งก็มีดกันเอาเราไปแต่บัณนี้จะมาบอกเรื่องง้อกับควายมันนี่บันนี้งวัวกับควายมาไถาหน้า มนุษย์จับมาไถให้ไถนาลงไปอไถปีได้มันง้อควายมันก็นักเด้มันบอกมันไถมนุษย์มันกับบางเถื่อเกิดปักลงเลิกแล้ว่าปักไถอยูงไปง้อควายมันก็ดันมัดันโมไปนะมันก็จมหนักแท้เอว่ามนุษย์ผิดโยกคืนอไปไลลงห่วยลงน้องออกไปมันน้องเลโกะเอาไปมามนุษย์ห่วย มันเป็นอย่างแถวสันมาหาควายควายก็บอกว่าอบาดฮักเจ้าของนะเอาเปรียบมือสันเลยกินไม่ได้กินของที่ดี ว, ว่าสันเลยไหวว่ามันจมได้หมดลงไปบาดได้ก็จมหมัดนั่นหมดลงไปจมเส่าจมแรงจมยาเหตเข็ดงานยังได้จมบนนาด น, น, นั่นหมดลงไปเอ๋มนุษย์เนี่ยมันยังวาหัวแหลมเอาเปียบมูอยู่แล้วลงไปเอาไปมากกจับแอกหน่อยมากกว่าตีปากมันเป็นอย่างมันยังจมดูแถวสันเลย จับแอบหน่อตีปากควายกันเลยยังบอกควายผมมีแขวทั้งๆจะปางพุ่นเมากัเลยตีปากมันแขวรลนมัดทั้งๆกันเลยพอตีแล้วมันเพิ่งยังสำทับอีกเด็มึงต่อไปมึงยาจมมึงยาวา่าคนกัเลยมนุษยว่ากันเลมึงยาจมมึงยาว่ามึงยาจมเป็นหลายเลยขั้นมึงกูเหตุหน่ามึงก็เบิงได้เป็นยัง ต้นเขาทั้งมดกูหายมึงมัดกูเอาแต่ยอดมันคืบเดียวหนึ่งคนมนุษย์เด็กเออกูเอาแต่ยอดมันคืบเดียวนึ่งทั้งต้นทั้งลำกูห้มึงทั้งมัดมัดปีมัดสัดกันมึงก็ได้กินมัดนึ่งเดยวัน่มึงอย่ามาหาจมมาสันนแทมนุษย์ผมเพิ่นเอาแต่ของดีได้แม่นบอลอ่ะเอเอาแต่ยอดมันเอาถึงเม็ดเข่าหน่อไปมาทาต้นเฟื่องมาหายไข้กับหัวนไปตอนี่ต่อไปมึงยาจมยาว่าคนว่ามนุษย์ มนุษย์สำทับเราไปแตงแต่น้่นเมาเราไปเพราะมันบุมีเข่วทั้งเทิงเราไปง่วก็ควายก็เลยหยานคนแลว้วยนะบ่อจมบ่าวาก็เลยบอ่อปากตะปางผุ่นตอเม้าวเรไปอืมก็เลยเงียบออกไปคนโมล้านเบิ่งเลยเอาเปน็นนิท่านสาธกเปน็นนิท่านขึ้นมาบ น, ะนิท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะเกิดเป็นคน้นจะไปจมไหลเรไป ขั้นจมหลายแล้วว่างถือแงกน้อยเขานูไปพอเดียวพอเดียวนี้พอเดียวนี้เขามีเขามีแขวทั้งเถิงด้วยเอาหนไปขั้นขืนจมหลายเลยแล้วโมมีอย่าโมมีแขวทัเฉ่งเถิงวันเอาไปแลวว่างถือแงะน้อยเขาเอาหนไปพอหนันการอยู่ร่วมกันมนุษย์อยู่ร่วมกันก็ต้องมีผิดมีถือแด่เป็นของธรรมดานักแด่เบาแดอก็ต้องช่วยกันโมเมนต์ที่เบาอย่างเดียว ทำไมที่นักอย่างเดียวไปนักอย่างเดียวก็พอได้เบาอย่างเดียวก็พอได้ทำมีต้องมีงานบักนักงานเบามียามเว้นมีย่ามมาขึ้นมียามหอดมียามหนาวมียามกระหิวมีย่ามกระหายแต่ว่าถึงจะได้ไข่มีความอดทนไหวในจิตในใจแต่สรุปเลยคือให้ใส่ปัญญาาน่ะนะการทําการทํางานการอยู่รวมกันมีแต่ทิฏฐิมานะมีแต่ความเห็นแก่ตัวอยู่ร่วมกันกันโลกก็เดือดร้อนบุญไหวไปมัดน่ะ ขันว่าแบ่งปันกันอยูแบ่งแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใสหูจักสูงหูจักต่าหูจักหลูกน่องหูจักเจยาวไน่มีสัมมาฆรวะต่อกันหลกไปนี่ก่นหนายูเด้แต่ว่ามีดจะเอาแต่รัดเอาเปรียบกันมีดจะผู้ใหญ่กัไปจังนึงผู้หน่อยก็ไปจังหนึ่งพ่อแม่ก็ไปจังนึงหลูกเต่ากอบไปจังนึ่ง เจ้าน่ายก็ไปจังหนึ่งลูกน่องก็ไปจังนึงไงพ้นที่สุดก็เลยหาความสงบรลมเย็นบ่เป็นสุขบ่ได้เพราะต่างคนต่างคิดเอาแต่ใจเจ้าของการยนูน้ากันมาต้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮ้าเอาใจเฮ้ามาใส่ใ จ, จเขาคันห้าเป็นลูกน่องถึงสี่ห้อก็โอ้ขา่ามันกูเป็นเจ้าหน่ายนะกูเฮ็ดงานจังสี่เนี่ยกามันกูเป็นเจ้าหน่ายกูไปกูเฮ็ดงานจังสี่กูจะเฮ็ดจังไรกูทะเลถลายจังสี่ คั่นว่ากูเป็นลูกพ่อแม่เพิ่นจะคิดจังใดข้ากูทะเลทลายจังสินะขั้นว่าพ่อแม่ขี้กันขั้นพ่อแม่เฮ็ดพอถือเออข้าเปนลูกเขาเป็นจังสเข้าเฮ็ดจังสิเขาคือพออายบาดอายเมือ่อพอแม่เป็นจังสนะิจังคู่บาอาจารย์ขี้กันยังหลวงพ่อนี่ขกันังงน้นหลวงพ่อเฮ็ดถืเอลูกชิดเขาคืออยากอายเด้ขันเอาหลวงพ่อบอกจังสิหลวงพอ่อเฮ็ดจังสิหนะลวงพ่อก็ต้องได้คิดขี้กัน พวกเป็นลูกชิดลูกหาหลวงพอ่อขึ้นกันต้องได้คิดเออถ้าหาว่าเข้าเฮ็ดจังสี่น่ยคูบาอาจารย์เพิ่นในยินเพิ่นเคยสิอยากหายได้เนี่ยทั้งที่เพิ่นสั่งสอนดิบดีกระเพ้าแล้วเข้าทําหัวงบดีจังสี่มันบ่อมแม่นแนวได้จังสี่คาถาว่าเข้าได้คิดในใจวายุจังสันเสมอเนี่ยความประพฤติของเข้าก็จะบ่ออกนอกหลู่นอกทางนะหลวงพ่อวานะยังหลวงพอ่อยู่กับคู่บาอาจารย์มากขึ้นกันอยู่หลวงปู่ลงตาไมาย่างหลวงตาบันตาจังสีแ่แหละ เนไปมาหาสูบางเสียงบางอย่างเข้าก็อยากไปตามที่เข้าอยากไปอยู่แต่บางสิ่งนี่เพิ่น่อยากเพิ่นไม่อยากให้ไปเด้เพิ่นบม่อยากให้พอเห็นด้วยนะอ่งนี้เข้าก็ต้องเข้าก็ต้องฟั่งเพิ่นไหวเรื่องยั้งกะเจว่าถามมาอีกค น, นไปกะจีฟิฟพอลงพอพูดพูดเป็นเงินง้มหมนลยไั้งลงพอคิดยังไนจังสี่แล้วจังเขาได้มุไปต่างประเทศจังสี่แหะ ขั้นว่ารุ่งพอก็จากไปยกหาลังเถือกแต่ลงตามเราไปอ่าไปแล้วมันได้อย่างว่าพี่หน้ามันก็เมนความเพลินอีกขั้นว่าไปแล้วไปเห็นแล้วไปนําสิ่งที่เฮาได้เห็นสิ่งถีเฮาได้เห็นได้หูนั่นเอามาปรับปรุงการเป็นอยู่ของเฮากายว่าจาใจของเฮาอันนั้นมันก็ควนไปพรไปเพื่อการศึกษาไปเพื่อนั่มเอาสิ่งนั่นมาปรับปรุงตัวเอง ให้ดีขึ้นกิจการของตัวเองให้ดีขึ้นคั้นเฮาไปแหลปนี่ไปเบิงดินฝ่าอากาศไปเบิงขู่เบิงข้นเชงซื่อไปแหลปมันก็เพเกิดประโยชน์อเองกับมากกับเสียเงินเสียท้องเสียความรู้สึกบางที่ไปเห็นสิที่มั่นบอดีกับมากกัมาคิดมาปุ๋งอีกบางสิ่งบางอย่างเอาสิ่งที่มั่นบอดีของเพลินของเขามากเอามาใส่อีกนี่ยังมั่นบอดีอีกเพราะเหตุใดเพราะเฮาไปด้วยความบอบอกไปด้วยความโ호 อย่างทีวานไปใสก็คือเกา่าะเจ้าของไปพ่อปันเก่าอิตาเลาไปไทยกลับมาบานหัวล้านคือเกาอไอไ่าเพราะอะไรพราะว่าตัวหัวล้านไปใส่ของหัวล้านคือเก่านะกลับมาพราะความโง่อนี้คือกันอันนี้เป็นคั้พังเพื่อของอีสานมันออกไปพ่อปันเก่าอีตาเลาไปไทยกลับมาบานหัวล้านคือเก่า ขั้นคนโง่ไปใส่กับมากกับ โ, โง่ขึ้นเก่าเพราะเหตุใดเพราะมันโง่ถ้ามันฉลาดไปใสมันก็ฉลาดขึ้นเก้านะั่นอกลับมา ก, กเอาสิ่งที่เปื่อประโยชน์มาใช่คิดในกิจการงานของเจ้าของเนี่ยลงพอวานทาว่าไปมองไรกระตำไปโดยสติไปโดยปยัญญาเอาสิ่งนั้นมาใส่ประกอบประโยชน์ให้เกิดแก่สำนักงานหรือว่าชีวิตประจำวันของเจ้าของหรือว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเจ้าของ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 พูดสิ่งดต้องคิดซะก่อนบวมันจะจมพุ่มพุมพั่มพัมัดมือมัดเว้นจมบวกิดจมบวการเพอเพอจะถึกดามทัพพี่เขาว่าสั้นมีดเขาเด้ตะกอนมันแอ็กหน่อยวอนเอาไปเป็นควายมันแอกหน่อยมันตัวใหญ่เลยก็มันมันแอกหน่อยไปหนึก็ตายแล้ววอเอาไปอันนี้ก็จะแม้พวกสันมีดหมดนั่นแหะเลาะเขวอนเอาไปเพนั่นพวกเข้าจะไปจมเลยนาเอาหลับพอดน่อยแนวความคิดแนวนึงนะมันนี้นะ ดนดนได้ยินเลยดนดนได้ยินภาษาบ้านเห่าตัวหนึ่ง